พระภาคตรัสตอบว่ากับปะกับปะเราจะบอกที่พึ่งของเหล่าสัตว์ผู้ดำรงอยู่ท่้ำกลางสะผู้ถูกชาราและมจุราครอบงำในขณะเกิดห่วงน้ําอันเป็นมหันตภัยแกเธอคําว่าผู้ดำรงอยู่ท่้ำกลางสะอธิบายว่าสงสารตรัสเรียกว่าสะคือการมาการไปการไปและการมาความตายคติ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 ที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารจึงไม่ปรากฏอย่างนี้บ้างที่สุดเบื้องปลายแห่งสงสารไม่ปรากฏอย่างไรที่สุดเบื้องปลายแห่งสงสารจึงไม่ปรากฏอย่างนี้บ้างที่สุดทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายแห่งสงสารไม่ปรากฏแม้อย่างนี้เราศาสตร์ผู้ดำรงอยู่แล้วคือดำรงมั่นแล้วติดแล้วติดแน่นแล้วติดพันแล้วติดใจแล้วในสงสารอันเป็นท่ากลาง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 คำว่าในขณะเกิดห่วงน้ําอันเป็นมหันตภัยอธิบายว่าในขณะห่วงน้ําคือกลามห่วงน้ําคือพบห่วงน้ําคือทิฐิห่วงน้ํา ค, คืออวิชาเกิดคือเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้นปรากฏคําว่าอันเป็นมหันตภัยได้แก่ชาติภัยชราภัยพญาทิภัยมรณะภัยรวมความว่า ในขณะเกิดห้วงน้ําอันเป็นมหันตภัยคําว่าผู้ถูกชราและมัจุราชครอบงำอธิบายว่าผู้ถูกชราถูกต้องครอบงำคือกลุ่มรุมห้อมล้อมผู้ถูกมรณะจับต้องครอบงำกลุ่มรุ ม, มห้อมล้อมได้แก่ผู้ไปตามชาติชราติดตามพญาทีครอบงำมรณะแย้มยีไม่มีที่ปกป้อง ไม่มีที่หลีกเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาใจรวมความว่าผู้ถูกชราและมัจุราชครอบงำคําว่าเราจะบอกที่พึ่งแก่เธออธิบายว่าเราจะบอกคือบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่ายประกาศที่พึ่งคือที่ปกป้องที่หลีกเร้นที่พึ่งคติจุดหมาย คำว่ากับปะในคำว่ากับปะแกเธอเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อรวมความว่าเราจะบอกที่พึ่งแก่เธอด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากับปะกับปะเราจะบอกที่พึ่งของเหล่าสัตว์ผู้ดำรงอยู่่้ำกลางสะผู้ถูกชราและมจุราชครอบงา ในขณะเกิดห่วงน้ำอันเป็นมหันตภัยแก่เธอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราเรียกนิพพานซึ่งไม่มีเครื่องกงวลไม่มีเครื่องยึดมั่นนี้นั้นว่าเป็นที่พึ่งอันไม่มีที่พึ่งเอื่นยิ่งกว่า เรนิพานเป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมัจุราชคําคคว่าซึ่งไม่มีเครื่องกังวลในคําว่าซึ่งไม่มีเครื่องกังวลไม่มีเครื่องยึดมั่นได้แก่เครื่องกังวลคือราคะเครื่องกังวลคือโทสะเครื่องกังวลคือโมหะเครื่องกังวลคือมานะเครื่องกังวลคือทิฏฐิเครื่องกังวลคือกิเลสเครื่องกังวลคือทุจริตการละเครื de, han, ่องกังวล การเข้าไปสงบเครื่องกังวลการสลัดทิ้มเครื่องกังวลการระงับเครื่องกังวลได้เป็นอมะตะนิพพานรวมความว่าซึ่งไม่มีเครื่องกังวลคําว่าไม่มีเครื่องยึดมัน่นอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าเครื่องยึดมัน่นได้แก่ความกําหนัดความกําหนัดนักหาพิชาอกุศลลมูลคือโลภะการละเครื่องยึดมัน่น การเข้าไปสงขเครื่องยึดมัน่นการสลัดทิ้งเครื่องยึดมัน่นการระ ง, งับเครื่องยึดมั่นได้เป็นอมาตะนิพานรวมความว่าซึ่งไม่มีเครื่องกังวลไม่มีเครื่องยึดมัน่นคำว่านั้นว่าเป็นที่พึ่งนั้นอันไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าอธิบายว่านี้เป็นที่พึ่งที่ปกป้องที่หลีกเร้นที่พึ่งเป็นคติเป็นจุดหมาย คำว่าอันไม่มีที่พึ่งอื่นอธิบายว่าที่พึ่งอื่นคืออย่างอื่นจากนิพานนั้นไม่มีโดยที่แท้ทานั้นเป็นที่พึ่งอันเลิศประเสริฐวิเศษชั้นแนวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมอย่างนี้รวมความว่านั้นว่าเป็นที่พึ่งอันไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าคำว่าเราเรียกนิพานนั้นอธิบายว่า ตั้นหาตรัสเรียกว่าวานะเครื่องเสียบแทงได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักมภพิชาอากุศลมูลครโลภะการละวานะการเข้าไปสงบวานะการสลัทิ้งวานะการระงับวานะได้เป็นอมตะนิพพานคำว่าว่าเป็นบทสนธิคำว่าว่านี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกัน คำว่าเรียกได้แก่พูดคือบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจำแนบทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าเราเรียกนิพานนั้นคำว่าเป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมจุราชอธิบายว่าการละการเข้าไปสงบการสลัดทิ้งการระงับชราและมรณะได้เป็นอมตะนิพานรวมความว่า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 มีพระภาาตรัสตอบว่าชนเหล่าใดมีสติรู้นิพพานนั้นแล้วเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นจึงไม่ไปตามอำนาจมารไม่ไปบำรุงมารคําว่านั้นในคําว่าชนเหล่าใดรู้นิพพานนั้นแล้วอธิบายว่าธรรมตะนิพพานคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลักชิงอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหา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 เพราะเป็นผู้ทําให้ราคะดับแล้วชื่อว่าดับกิเลสได้แล้วเพราะเป็นผู้ทําให้โทสะดับแล้วชื่อว่าดับกิเลสได้แล้วเพราะเป็นผู้ทําให้โมหะดับแล้วชื่อว่าดับกิเลสได้แล Source Source Source Source ้วเพราะเป็นผู้ทําให้โกทะอุปนาหะอกุศลาภิสังขารทุกประเภทดับแล้วรวมความว่าเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้ว คำว่าชนเหล่านั้นจึงไม่ไปตามอำนาจมารอธิบายว่าคำว่ามารได้แก่มารผู้มีกล้ำดำเพอผู้ยิ่งใหญ่พาไปสู่ความตายไม่ให้สัตว์หลุดพ้นเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาทคำว่าชนเหล่านั้นจึงไม่ไปตามอำนาจมารอธิบายว่าชนเหล่านั้นไม่ไปตามอำนาจมารทั้งมารก็ไม่เป็นไปในอำนาจชนเหล่านั้น ชนเหล่านั้นข่มขีครอบงำท่วมทับรัดตรึงย่ำยีมารคือฝักฝ่ายแห่งมารบ่วงมารเบ็ดมารเหยื่อมารวิสัยมารที่อยู่ของมารโคจรของมารเครื่องผูกแห่งมารเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่า ชนเหล่านั้นจึงไม่ไปตามอำนาจมารคำว่าไม่ไปบำรุงมารอธิบายว่าชนเหล่านั้นไม่บำรุงไม่เที่ยวบำรุงไม่บำรเร่ไม่รับใช้มารชนเหล่านั้นบำรุงเที่ยวบำรุงบำรเร่รับใช้แต่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ารวมความว่าไม่ไปบำรุงมารด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า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 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมอันแท้จริงนั้นแก่ข้าพระองค์คำว่าข้าแต่พระวีระข้าพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กามอธิบายว่าข้าพระองค์ได้ยินคือสับเรียนทรงจำเข้าไปกำหนดไว้ว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาครวมความว่าข้าพระองค์ได้ยินว่าว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าวีระคำว่าข้าแต่พระวีระอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้วีระมีพระวิริยรร ะ, ะงงงจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงองค์อาจจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงให้ผู้อื่นภาคเพียนจึงชื่อว่าวีระ พระผู้มีพระภาคทรงสามารถจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงกล้าหาญจึงชื่อว่าวีระคือทรงก้าวไปข้างหน้าไม่ขลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุง้งไม่หนีทรงละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวจึงชื่อว่าพระวีระพระผู้มีพระภาคทรงเว้นขาดจากบาปทำทั้งปวงในโลกนี้ก้าวล่วงทุก์ในนรก ทรงอยู่ด้วยความเพียรทรงมีความเพียรมีความมุ่งมั่นแกล้วกล้ามั่นคงเรียกได้ว่าทรงเป็นอย่างนั้นคําว่าฆ่าแต่พระวีระข่าพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กรามอธิบายว่าคําว่ากรามได้แก่กรามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกรามสองกิเลสกาม เหล่านี้เรียกว่าวัตถุกรรมเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรรมพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงกําหนดรู้วัตถุกรรมทรงละกิเลสกรรมได้แล้วเพราะเป็นผู้ทรงกําหนดรู้วัตถุกรรมเพราะทรงละกิเลสกรรมได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงใครในกรรมคือไม่ปรารถนาไม่มุ่งหมายไม่มุ่งหวังในกรรม ชนเหล่าใดใคร่กามปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังกามชนเหล่านั้นชื่อว่ายังใคร่กามกำหนัดในราคะมีความสำคัญในสัญญาพระผู้มีพระภาคไม่จงใคร่กามไม่ทรงปรารถนาไม่มุ่งหมายไม่มุ่งหวังกามฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีกามคือทรงปราศจากกามสละกามแล้วคลายกามแล้วปล่อยกามแล้ว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 ถ้าพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กามคําว่าดังนี้ในคําว่าท่านจะตุกานณิทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคําว่าดังนี้นี้เป็นคําเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคําว่าท่านเป็นคํากล่าวด้วยความรักคําว่าท่านนี้เป็นคํากล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงคําว่าชตุกานณิเป็นโคดของพราหมณ์นั้น ชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านจะโตกันนิทุนถามดังนี้คําว่าล่วงพ้นห่วงกิเลสในคําว่าล่วงพ้นห่วงกิเลสจึงมาฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามอธิบายว่าล่วงพ้นห่วงกิเลสคือก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นห่วงกิเลสแล้วรวมความว่าล่วงพ้นห่วงกิเลสคําว่าเพื่อทูลถามได้แก่ เพื่อทูลถามคือเพื่อทูลปุจฉาทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศคําว่าจึงมาเฝ้าผู้ไม่มีกรามอธิบายว่าจึงมาเฝ้าคือเป็นผู้มาเฝ้าแล้วมาเข้าเฝ้าแล้วถึงพร้อมแล้วเป็นผู้มาถึงพร้อมกับพระองค์แล้วเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกรามคือทรงปราศจากกรามสละกรามแล้วคลายกรามแล้วปล่อยกรามแล้ว และกามแล้วสลัดทิ้งกามแล้วได้แก่คลายราคะแล้วปราศจากราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วและราคะแล้วสลัดทิ้งราคะแล้วรวมความว่าล่วงพ้นห่วงกิเลสจึงมาเฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามคำว่าค่าแต่พระสหาชาเนตรขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบท อธิบายว่าคาว่าสันติได้แก่ทั้งสันติและสันติบทมีความหมายอย่างเดียวกันสันติบทนั่นเองคืออมตะนิพานได้แก่ทมเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่จะละทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกาหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบทนี้สงบ บทนี้ประณีคือทำเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลละทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทอีกประการหนึ่งทาเหล่าใดเป็นไปเพื่อบรรลุความสงบถูกต้องความสงบทําให้แจ้งความสงบคือสติปฐาน 4, สี่ัมมะปะทานสี่อิทิบาสีอินรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ด อริยมรรคมีองค์แปดเหล่านี้ก็ตรัสเรียกว่าสันติบทขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศสันติบทคือตานบทเล น, ทนะบทสารณบทอภัยบทอจุตบทอรมตะบทนิพพานบทคำว่าข้าแต่พระสหชเนตอธิบายว่า พระสัพพัญญุตยานตรัสเรียกว่าพระเนรพระเนรและความเป็นพระชนเจ้าของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไม่กอดไม่หลังกันที่คนต้นโพฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระนามว่าพระสหชเนตรวมความว่าข้าแต่พระสหเนรขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบทคาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมแท้จริงนั้นแก่ข้าพระองค์อธิบายว่าอมตะนิพพานตรัสเรียกว่าธรรมแท้จริงได้แก่ธรรมเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่ฉละดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคากล่าวโดยความเคารพ คำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจกาบัญญัิคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกนั้นแก่ข้าพระองค์ได้แก่ขอพระองค์โปรดตรัสเือโปรดบอกประกาศรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเป็นแท้จริงนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านชตุกันณนิทูลถามดังนี้ ข้าแต่พระวีระข้าพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กามล่วงพ้นห่วงขิเลหจึงมาฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามข้าแต่พระสหชเนธขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบทข้าแต่พระผู้มีประภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรำอันแท้จริงนั้นแต่ข้าพระองค์ ตุกนณิทูลถามว่านหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงครอบงำกลามทั้งหลายด้วยพระเดชทรงเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่เหมือนดวงอาทิตย์มีแสงสว่างสองแสงปกคลุมทั่วพัตพีพระองค์ผู้มีพระปัญญาดุจภูริขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติและชาราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิด คำว่าพระผู้มีพระภาคในคําว่าอันหนึง่งพระผู้มีพระภาคทรงครอบเมืองกรามทั้งหลายด้วยพระเดชทรงเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่เป็นคํากล่าวด้วยความเคารพคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจการยญญัติคําว่ากามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกรามสองจิเลสกราม เหล่านี้เรียกว่าวัตถุกรรมเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรรมพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้วัตถุกรรมทรงละครอบเมือคือข่มขี่ท่วมทับควบคุมย่มยีกิเลสกรรมได้แล้วเสด็จไปประทับอยู่ทรงเคลื่อนไหวทรงเป็นไปทรงเลี้ยงพระชนมาชีพทรงดำเนินไปทรงยังพระชนมาชีพให้ดำเนินไปอยู่รวมความว่า อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงครอบเมือกรามทั้งหลายด้วยพระเดชทรงเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่คำว่าเหมือนดวงอาทิตย์ในแสงสว่างส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพีอธิบายว่าพระสุริยะเรียกว่าดวงอาทิตย์พื้นแผ่นดินเรียกว่าปฐพีดวงอาทิตย์มีแสงสว่างคือประกอบด้วยแสงสว่างครอบงำขมขี่ท่วมทับปกคลุม แผดเผาแผ่นดินขจัดความมืดคือกำจัดความมืดมิดในอากาศทั้งหมดแล้วส่งแสงสว่างโคจรไปในอากาศบนท้องฟ้าอันโปร่งใสชั้นใดพระผู้มีพระภาคมีพระเดชคือญานคือประกอบด้วยพระเดชคือยานสรงกำจัดอภิสังขารสมุททยทั้งปวงความมืดคือกิเลสความมืดคืออวิชชาทรงส่งแสงสว่างคือพระญาณ ทรงกําหนดรู้วัตถุกรามทรงละครอบงำข่มขี่ท่วมทับควบคุมย่ำยีกิเลสกามได้แล้วเสด็จไปประทับอยู่ทรงเคลื่อนไหวทรงเป็นไปทรงเลี้ยงพระชนมชีพทรงดำเนินไปทรงยังพระชนมชีพให้ดำเนินไปฉันนั้นรวมความว่าเหมือนดวงอาทิตย์มีแสงสว่างส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพี คำว่าพระองค์ผู้มีพระปัญญาดุพูริแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิดอธิบายว่าข้าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาน้อยคือมีปัญญาต่ำซามมีปัญญาแน่รังเกียดมีปัญญาหยาบส่วนพระองค์มีพระปัญญามากคือมีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาอาถานมีพระปัญญาฉับไวมีพระปัญญาเฉียบคมมีพระปัญญาเพิกถอนกิเลส แผ่นดินท่านเรียกว่าภูริพระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยปัญญาอันกว้างขวางแผ่ไปเสมอด้วยแผ่นดินนั้นรวมความว่าพระองค์ผู้มีพระปัญญาดุจภูริแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิดคําว่าขอพระองค์โปรตรัสบอกธรรมในคําว่าขอพระองค์โปรตรัสบอกธรรมซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งอธิบายว่า ขอพระองค์โปรดตรัสบอกคือแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรมคือพรหมจันทร์ที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยยญชนะบริสุทธิ์บริรรบูรณ์ครบถ้วนสติปัฏฐานสี่นิพพานและปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพพาน คำว่าซึ่งค่าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้แก่ซึ่งค่าพระองค์พึงรู้คือพึงรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะรู้แจ้งเฉพาะแทงตลอดบรรลุถูกต้องทำให้แจ้งรวมความว่าโปรตรัสบอกทำซึ่งค่าพระองค์จะพึงรู้แจ้งคำว่าทำเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้อธิบายว่าทาเป็นเครื่องละ คือทำเป็นเครื่องเข้าไปสงบเป็นเครื่องสลัดทิ้งเป็นเครื่องระงับชาติชราและมรณะในโลกนี้คืออมะตะนิพพานรวมความว่าทำเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกลาบทูลว่าอนหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงครอบเมือมกรามทั้งหลายด้วยพระเดทรงเคลื่อนไหวอิรียบดอยเหมือนดวงอาทิตย์มีแสงสว่าง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 มีประภาคตรัดตอบว่าชตุกันนี้เธอจงกำจัดความติดใจในกามทั้งหลายเสียเธอเห็นเนี่กคำมะโดยความกระเจมแล้วควรจะละเครื่องกังวลที่ยึดถือหรือว่าเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่เธอคำว่าในกลามทั้งหลายในคำว่าเธอจงกำจัดความติดใจในกามทั้งหลายเสียได้แก่กลามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกลาม กิเลสกามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกรมเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรรมคำว่าความติดใจอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความติดใจได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุโสรามูนเคโลภะคำว่าเธอจงกำจัดความติดใจในการมทั้งหลายเสียอธิบายว่าเธอจงกำจัดคือขจัดละ บันเทาทาให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความกำหนัดในความทั้งหลายรวมความว่าเธอจงกำจัดความติดใจในกามทั้งหลายเสียคำว่าชตุกันนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยโคดคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจการยัญญิ รวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเจตุ ก, กันนี้ว่าด้วยธรรมอันเกษมคำว่าเนคข ม, มะในคำว่าเธอเห็นเนคข ม, มะโดยความเกษมแล้วอธิบายว่าเธอเห็นแล้วคือแลเห็นเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งซึ่งการปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นข่าศึก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 พระห้าผูชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดนิพพานและปฏิปทาเครื่องดําเนินไปสู่นิพพานโดยความเป็นธรรมกเกษมเธอเป็นที่ปกป้องเป็นที่หลีกเร้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่ปลอดภัยที่ไม่จุติที่ไม่ตายที่ดับเย็นรวมความว่าเธอเห็นเนคขมะโดยความกเกษมแล้วคําว่าเครื่องกังวลที่ยึดถือ ในคำว่าควรสลัดเครื่องกังวลที่ยึดถือหรือว่าอธิบายว่าเครื่องกังวลที่ถือแล้วยึดมั่นแล้วถือมั่นแล้วติดใจแล้วน้อมใจเชื่อแล้วด้วยอำนาจตันหาด้วยอำนาจทิฏฐิคำว่าควรสลัดหรือว่าอธิบายว่าควรสลัดคือควรเปลืง้งและบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกหรือว่า รวมความว่าควรสลับเครื่องกังวลที่ยึดถือหรือว่าคําว่าเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่เธออธิบายว่าเครื่องกังวลคือราคะเครื่องกังวลคือโทสะเครื่องกังวลคือโมหะเครื่องกังวลคือมานะเครื่องกังวลคือทิฐิเครื่องกังวลคือกิเลสเครื่องกังวลนี้ยาได้มีคือยาได้ประสบ อย่าได้ปรากฏแก่เธอเลยได้แก่เธอจงละบันเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกรวมความว่าเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่เธอด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคกระ ต, ตอบว่าชตุกันนี้เธอจงกําจัดความติดใจในกลางทั้งหลายเสียเธอเห็นเนกขัมมะโดยความเกษมแล้ว ควรจะหลัดเครื่องกังวลที่ยึดถือหรือว่าเครื่องกังวลอย่าได้มีแก่เธอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเธอจงทํากิเลสที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไป เครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังยังได้มีแก่เธอถ้าเธอจะไม่ถือสังขารในส่วนถาำกลางไว้ก็จะเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปคำว่าเธอจงทากิเลสที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปอธิบายว่ากิเลสเหล่าใดพึงปรารบสังขารที่เป็นอดีตเกิดขึ้นเธอจงทากิเลสเหล่านั้นให้แห้งไปเหือดแห้งไปคือแห้งเหือดไป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 อย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้บังเกิดจงละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกรวมความว่าเครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแก่เธอคำว่าถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนท่ามกลางไว้อธิบายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันตรัสเรียกว่าส่วนท่ามกลาง เธอจักไม่ถือเผอไม่ถือไม่ยึดถือไม่ใ ย, ยดีไม่พูดถึงไม่ติดใจสังขารที่เป็นปัจจุบันด้วยอำนาจตันหาด้วยอำนาจทิฏฐิเธอจักละบันเทว์ทาให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความยินดีการบ่นถึงความติดใจความถือความยึดมั่นความถือมั่นรวมความว่าถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนทถ้ำกลางไว้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 อากุศลภิสังขารทุกประเภทเที่ยวไปเคื อ, อยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าก็จะเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าเธอจุงทากิเลสที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหอดแห้งไปเครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังย่าได้มีแก่เธอ ถ้าเธอจักไม่ถือสังฆานในส่วนถ้ำกลางไว้ก็จักเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามอาสวะทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถึงอำนาจแห่งมัจจุไม่มีแก่บุคคล น, นั้น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 รูปประคันสี่คำว่ารูปได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ตันหาตรัสเรียกว่าความติดใจได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักอัพิชาอากุโสมูลคือโลภะคำว่าพรามผู้คลายความติดใจในนามรูปโดยประการทั้งปวงอธิบายว่าพรามพระอรหันตคีนาศผู้คลายความติดใจแล้ว คือผู้ปราศ จ, จากความติดใจแล้วสละความติดใจแล้วคลายความติดใจแล้วปล่อยความติดใจแล้วละความติดใจแล้วสลัดทิ้งความติดใจได้แล้ว <R 2> รวมความว่าพราหมณ์ผู้คลายความติดใจในนามรูปโดยประการทั้งปวงคำว่าอาสวะทั้งหลายในคำว่าอาสวะทั้งหลายไม่มีแก่บุคคลนั้นได้แก่อาสวะสี่อย่าง คือ1กามาสะวะสองพวาสะวะสทิฏฐาสะวะสี่อวิชชาสะวะคำว่าแก่บุคคลนั้นได้แก่พระอระหันตขีนาศพคำว่าไม่มีอธิบายว่าอาสวะเหล่านี้ไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่พระอระหันตขีนาศพนั้นได้แก่อาสวะทั้งหลายท่านละได้แล้ว ตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าอาจวะทั้งหลายไม่มีแก่บุคคล น, นั้นคาว่าอันเป็นเหตุให้ถึงอำนาจแห่งมัจจุอธิบายว่าอาจวะทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ไปสู่อำนาจแห่งมรณะหรือไปสู่อำนาจของมรณะหรือไปสู่อานาจของพรกพวกมารไม่มี คือไม่มีอยู่ไม่มีปรากฏหาไม่ได้แก่พระอรหันตขีนาศนั้นได้แก่อาจวะทั้งหลายท่านละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคืยยานแล้วรวมความว่าอันเป็นเหตุให้ถึงอํานาจแห่งมัจจุโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าพราหม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 พัทราวุฒิมนวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของพัทราวุฒิมนุกท่านพัทราวุฒิทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาพระองค์ผู้ทรงละห่วงน้ําคืออาลัยได้ตัดตันหาได้ไม่มีตันหาเหตุให้วนไหวทรงละความเพลิดเพลินได้ข้ามห่วงกิเลสได้หลุดพ้นแล้วและการกําหนดมีพระปัญญาดี ชนทั้งหลายครั้นได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ผู้นาคาแล้วจึงจะ ก, กลับไปจากที่นี้คำว่าผู้ทรงละห่วงน้ำคืออะไรได้ในคำว่าผู้ทรงละห่วงน้ำคืออะไรได้ตัดตันหาได้ไม่มีตันหาเหตุให้วันไหวอธิบายว่าความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบาย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 พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้ทรงละห่วงน้ําคืออาไลได้คําว่าตัดตันหาได้อธิบายว่าคําว่าตันหาได้แก่รูปตันหาสัทธตันหาคันธตันหารสตันหาโพธภะตันหาธรรมตันหาตันหานั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตัดแล้วคือตัดขาดแล้วตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าตัดตัณหาได้คำว่าไม่มีตัณหาเหตุให้วันไหวอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าเหตุให้วันไหวได้แก่ความกาหนัดความกาหนัดนักอาพิชาอาอกุศลละโมนคือโลภะตัณหาเหตุให้วันไหวนั้น พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้วคือตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาเหตุให้วันไหวเพราะเป็นผู้ละตัณหาเหตุให้วันไหวได้แล้วจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาเหตุให้วันไหว พระผู้มีพระภาคไม่ทรงวันไหวเผลอไม่ทรงสะเทือนไม่เคลื่อนไหวไม่สัตานไม่สันสทตย์เพราะได้ลาบเพราะเสื่อมลาบบ้างเพราะได้ยศเพราะเสื่อมยศบ้างเพราะสรรเสริญเพราะนินทาบ้างเพราะได้สุขเพราะทุกบ้างฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าไม่มีตัณหาเหตุให้วันไหวรวมความว่าผู้ทรงละห่วงน้ําคืออาลัยได้ตัดตัณหาได้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 เป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านพัทราวุฒูลถามดังนี้คำว่าทรงละความเพลิดเพลินได้ข้ามห่วงกิเลสได้หลุดพ้นแล้วอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความเพลิดเพลินได้แก่ความกาหนับความกําหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะความเพลิดเพลินคือตัณหานั้น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 ก้าพ้นล่วงพ้นแล้วซึ่งกามโมคะพโวคะทิดโถคะอวิโชคะทางแห่งสงสารทั้งปวงพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้านั้นทรงอยู่ในอริยวาสธรรมแล้วประพฤติจรณธรรมแล้วพระองค์ไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าทรงละความเพลิดเพลินได้ข้ามห่วงกิเลสได้ หลุดพ้นแล้วคําว่าหลุดพ้นแล้วอธิบายว่าจิตของพระผู้มีพระภาคพ้นไปแล้วหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นไปด้วยดีแล้วจากราคะจิตของพระผู้มีพระภาคพ้นไปแล้วหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นไปด้วยดีแล้วจากโทสะจิตของพระผู้มีพระภาคพ้นไปแล้วหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นไปด้วยดีแล้วจากโมหะ ิของพระผู้มีพระภาคพ้นไปแล้วหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นไปด้วยดีแล้วจากโกธะอุปนาหะจากอากุศลาภิสังขารทุกประเภทรวมความว่าละความเพลิดเพลินได้ข้ามห่วงกิเลสได้หลุดพ้นแล้วคำว่าข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาและการกำหนดมีพระปัญญาดีอธิบายว่าคำว่าการกำหนดได้แก่ การกำหนดสองอย่างคือหนึ่งการกำหนดเรื it, event, amigos, a, ique, land, design, ่องำนาจตันหาสองการกำหนดเรื่องำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าการกำหนดเรื่องำนาจตันหานี้ชื่อว่าการกำหนดเรื่องำนาจทิฏฐิพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงละการกำหนดเรว่อำนาจตันหาสลัดทิ้งการกำหนดเรว่อำนาจทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ทรงละการกำหนดเรื่องำนาจตันหาสลัดทิ้งการกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิ พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าละการกาหนดคำว่าข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาได้แกท่ทูลขอทูลอาราธนาคืออันเชิญยินดีปรารถนามุ่งหมายพอใจมุ่งหวังคำว่ามีพระปัญญาดีอธิบายว่าปัญญาตรัสเรียกว่าเมธาปัญญาเครื่องทําลายกิเลสได้แก่ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคทรงประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียพร้อมแล้วด้วยปัญญาเครื่องทำลายกิเลสนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีพระปัญญาดีรวมความว่าข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาและการกาหนดมีพระปัญญาดี คำว่าผู้นาคะในคำว่าชนทั้งหลายครั้นได้ฟังพระตําราชของพระองค์ผู้นาคะแล้วจึงจักกลับไปจากที่นี้อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงทําความชั่วพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงถึงพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงกลับมาหา พระผู้มีประภาชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงกลับมาหาเป็นอย่างนี้คำว่าชนทั้งหลายครั้นได้ฟังพระตํารักของพระองค์ผู้นาคะแล้วจึงจักกลับไปจากที่นี้อธิบายว่าชนทั้งหลายครั้นได้ฟังคือครั้นได้สดับเรียนทรงจําเข้าไปกําหนดแล้วซึ่งพระดํรรัดคือคำที่เป็นแนวทางเทศนาคาสั่งสอนคาพร่ำสอนของพระองค์ จึงจักกลับคือดำเนินไปจากไปไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่จากที่นี้รวมความว่าชนทั้งหลายครั้นได้ฟังพระดํารัสของพระองค์ผู้นาคะแล้วจึงจักกลับไปจากที่นี้ด้วยเหตุนั้นพราหมนั้นจึงกราบทูลว่าท่านพัทราวุฒูลถามดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาพระองค์ผู้ทรงละห่วงน้ําเพอาอรายได้ตัดตันหาได้ ไม่มีตันหาเหตุให้วันไว้ทรงละความเพลิดเพลินได้ข้ามห่วงกิเลตได้หลุดพ้นแล้วละการกำหนดมีพระปัญญาดีชนทั้งหลายครั้นได้ฟังพระธรรมรัสของพระองค์ผู้นาคะแล้วจึงจักกลับไปจากที่นี้